ก็ปงจักันอยางนีอันนี้ล anyway um um> ่ะ mm. คัมพูดเถาบุลำบุรีนพันเบากันพันกันย่ำจีบกันตัสมัยพันเป็นนุ่มพันกันจีบคัมพญ ن ي นี่ล่ะเมยคนาเจ้าเป็นพูทธเถาพ่นกันเขียนคัมพญญ ي มาจังสี่ตัวคัมพญ ن คัมพญ ن ي นั่นล่ะแล้วพอตัวเขาบ่กเลยแม่ใจผยานใจเมย์ก็เจี๊นเนาะนี่ยเจ้าเฮ็ดจังไหนจังได้กันเนาะเขาบอกกันคอยมากเจ้าเจ้ามากคอยกับเอากันเล็กกันน้อโอ้ล่นนกันนั่นทีเสียใจสิเปร้ันไม่มีไอ้จี๊ยเอาเม่์เจี๊ยนก็สู้ข ไม่อย่างนี้สิเปลเห็นไม่เงี้ยเห็นยังเอาหัวชื้นๆอ่อกเจาเห็นตั้งหลสนะมอ่ะสัญญงขึ้นรถไม่รถบาดจังโขพูดแล้วน้ำกันโอ้ยนั่นะพูดเต่าก็เอเลนนํากันเป็นยอันนี้มึงเดาเาลนบยังพูกันสู้ออกเพาเนีอากางว่าดอกก็กระบาเถียงดอกเม่นั่นละเขาใจไปบาดเนี่แม่เดี๋ยวเดีรถหมายนี่มันเปนของกิ่งดุจิลูกเอาแม่มาปรยักเสื้อใยยาะ งจตีบานใจจังสิมาสนใจอาถนาอัตกุณจันท่านสมเฮานีแม่เอามาเบิ้งให้แม่เบิ่งเอาเจ้ามึงดูนีมันมีตาประทับประจำตระกูลนี่หีแหลงใจวายยู่นีดีเอาไปว่องกลมยู่นนี่นี่ลูกยังนีเจ้าว่านองมันเิกกก็สาบหนึ่งมลูกมกกได้สาบหนึ่งแม่ของมึงกับเจตีกันอิจฉาแม่แล้วแม่เบิงกน่องบอกเอาเบิงดูแม่ ตาประจำตะกูลกระเมนจูรูปยังหละม่รูปนกนี่นกยังแหลนกยังละแม่นกเวียดนามนกเวียดนามจากไหนนี่ผู้ไหนเขาจะนกเวียดนามป็เป็นตาประทับอันนกยังันอ่นี้อันนี้เขาเอินพะยคูดตัวหนีแม่แมอันกลางขีตัวนีแม่ันดอกเออบางทีพู้ไหนดอกอันกเวียดนามเปเป็นตารับขมดคือมั้เออนั่นล่ะแม่เอาอ่านเมื่เจ้าอ่านออกบอตัวหนังสือแหงน้อยหน่อยเอาอ่านเบื่งแม่ ตาเห็นไก่กับไก่โลด้หนูกาคตาไปเห็นหงกันเี่ยุรีมีโกย่กันขาเออับานน้องอาจายาบอเปิดกินจักเทียนแล้วอาจาไปอ่านเจตัแม่เออเปิดกินนั่นน่ะไ่ได้เห็นหงนั่นน่ะตาฟ้าตาฟางนวานนั่นน่ะนำตาไหลพาหนวยนั่นน่ะจังั้นกินลกไปเลโอ้ยแกงจางปางกินลุไปแม่กินแล้วขาอ่านนะแม่ เทอกัม MM right. um. ันตืบปากเจ้าแน่รึเปล่าทอะมันตืบปากเรื่องน้อมันไหลเข่าดั่งพวกเข่าทาเนี่ยไหลล้มทั้งลำหมากเขาเองเขาไปน้ากันนองช่องแขนไปน้ำกันน่าทึ้งลำหมากทีเป็นชมๆจังสิเออมันสมจังสันหลาดยาดหาดน่ะเป็นจอดนอนคือของบุตจัสูงเป็นจังไหนแม่เอออืมเอาอมันกันไหนข่ายสีอะ นแลเพาะนเห็นผลไห่หีไวแมนเ้าหลินได้มมันดีอีหลีของเพนน่ะมันดีอีหลีเนีอีหลีละแม่ช่างวาดขาดเพื่แม่ถอดแว่นก่อนอดแ่ก่อนนะโอ้ยแมนอีหลีโอตัวหนังสือไหนน้อยก็ตัวติแม่โอ้ย่อนเอาโ้เขาทายุบบันไดเขาอ่านบันี้แม่แกะกะัไนแม่ตัวนั่นนะครับหนังสือขึ้นได้เป็นอย่า เหตุผนเจ็กอ่านหนังสือโดเอาหัวลุกโอ้ยสามพ่อขากอไกลสีฟ่าช้างหลังดูแลมว่าเตปากเจ้าเนาะขอกากอกท่นนั่นทอถึงแม่จันที่มาอ้อ่านสือจากขอได้เลอดที่เออเอา ทีที่ออกทบที่เขารบที่เขาลบที่โอ้ยอมาออกลบไปทัางไหนล่ะเมไม่ม UH> ่นเพท่านใหญ่ดีทักปัญญายุ่เมีนหยางเจ้าจะเป็นลบยุรดํำเนิ่อตีต้องอีกจ้กสามขวดขึ้นพอดีอยู่เอ้อาบอกเบ้าสตาร์พัคพเอามาไม้เป็นยังไงเมของแท้แน่นอน คันวาจัสันลุบลากริส่วนบุญสวนลนางเยอะยิ่งตงไรล่ะแม่บัดนี้บุญสวนมียากปลูกกีกินกล้วยพูดแม่กระจาบสัญญาว่านี่สงผลลับหย่อนตอมจะน้องสองเจ้าได้ลูกแม่นีหลีแม่แม่นี่หนังแม่ล่ะแม่เสียแม่ย่แม่นี่ล่ะอันนีสงคือผลหลับล่ะลูกเอ้ย เราบารีแม่ถึงอถามเต่าสองคนด้วยลูกเด้อว่าจากไหนแม่ผูกอู่ตามใจผููอยู่ผูกอูตามใจผููนอนเอาหัวเอาเนี่ยมาอยู่สอนบารีแม่เาดั่งลวนสิอุ่นกายนอนยูบารูเสียอยากไปเป็นไผ่เป็นเคยเป็นบอลาหลาแม่ตามใจเลยเอาละแม่เลยขั้นถามความกิดเห็ยนลูกเต่าทั้งสองคนนั่นอัตาโผลนกองเข้าเป็นตะกูลจันท่านหาเศสากินคำว่าจะนั้นมันดีแล้วแม่ มิเศรษฐีมามองเห็นคนง่ามความดีของเท้านันล่ะแมยเอ้ยพอจะนั้นเมย์ขั้นว่าถามคว่ำดีเห็นของลูกของเต้าลูกเต้าอยากไปอยู่โอกาสมันร้อยมาอยู่ข้างหน้าเท้าแล้วบอกกลัวเอากระจักจังใดยุสันเดเมยแต่ว่ากาศขั้นนี้ให้แม่นั่นเป็นผู้ตัดสินเอาเดืองมยเด้อขั้นแม่ให้ลูกให้เต้าไปลูกเต้ากระจังสิไป นแม่บอกให้ไปลูกเต่ากระบอไปดอกเม่มันเลิกาก็อยากไปคือกันละแม่เอ้ยแม่ให้ไป มัลิกากระสีไป่จังสันละแม่แสดงมาลูกเต่าสองคนอยากไปเป็นไผ่เป็นเคยเพิ่นครับกบว่าดอกลูกเอ้ยเมื่อโอกาสมาหอดคันบลขว่ไวเคทั้งไหนทั้งไหนยุ่น้ําขึ้นในเรียบตักตัวตัวน้ําล่งทีตักถึงแต่ว่าโสร์ตาเอยลูกกุจจนมัลลิกาลูกลาแม่นั่งเอ้ยก้าตกมาในปีนี้แม่กระเถ่าแก่เหลาหากินเองก็บอใดขอให้ลูกคิดดูเบังเดือ อลูกสองคนสิต้องรูเมื่อไปอยู่มีสุกขันได้ดีสิป้าแม่นอนทนถูกอยู่พูดยวฉันบ่ลาคิดดีเราบลูกเอ้ยโซแม่ผมเอ้ยแมนว่าผมสิไปแล้วกับบ่เล่าลืมปะดอกแม่สิเที่ยวไปเที่ยวมาส่งอาหารประจำมือบ่ให้เจ้าเดือดร้อนต้งของเขาเครื่องกินดอกแม่อยาคิีไปไก่ไหลทอ สรตะนั่นว่ดถิ่นว่ดป๋าปอยเจ้าดอกแม่เอ้ยมันแม่นบ่วัดโซริตามันลิกาไปแล้วสิบลืมแม่นันนลูกแม่เอ้ยอย่าตกใจไปเลยเจ้าเอกวัดนจะเคลื่นมาเยี่ยมแม่ถามเบื้องัวาลูกแล้วขันหินปลอมเสียวเจ้าไปอยู่น้ำแต่ดอกค่ะแม่พระตกหมกตกใจดอกแม่มันลิกาสิเลี้ยงแม่เองแตดอกค่ะแม่ ถามเบื้องผัวลูกแล้วขันเห็นพร้อมเจ้าแม่ไปอยู่นำ้ำอ่ะจแม่นว่าเสี่ยวแม่ไปอยู่น้าจริงนะจริงสิแ น, น่นะแน่สิไม่หลอกนะไม่หลอ ก, ลอกสิอก <laughs> โอ้จะว่าผ้าแม่ว่าอีหยังมึงกระดายนะจ้ว่าผ้าอเมริกาเว่าอีหยังแม่ เ, มเจ้ากรได เอาหนูเกยขั้นตะว่าจังสั่นแม่ก็บอกเครื่องคัดดอกลาต่ว่าใจหนึ่งกระยานลายด้ครับครับดันเจ่ตัวให้จห่ดนนันนางค่อยสั้นเกิดเท่านั้นแล้เอาชะตาพ่อนเอาโยรีมิโกโยรีมิโกแมงทานเอาหญิงตั้งคิแจ้งว้นจแมนอาหารพูดเถ่าพ่ออะไรแม่โตกธรรมาแค่ีแต่ว่าไว้กินเกินสองขังได้ละแม่อกินขังยาวนี่เบดกวดกระยายนบ่ เอาละแมเป็นจังไดเออเป็นจังได้แมเอ้ยลูกเต่าความกิดของเจ้านั่นลูกเต้ากรว่าสิบปะสิบอยเจ้าถิ่มดอกแมไปเป็นไพ่เป็นเขือเศษฐีก็ะดาแมแมด่านจะเป็นคือเพ่งขวานเน่นะเพ่งเขาไดว่าอีกล่ะแมเพ่งอย่างนันเนี่ยการเดเป็นคือเพ่งบักพอนแสงซองสักบ้าบักพอนแสงซองสัว่ามันมีอยู่นี่ซื่อเนี่แมเป็นอยงที่ว่ามีเพ่งสาวจันตังโก โอเพลงสาวจันทร์กันโกบไม่เขาแม่ไม่ซือซือไกนผู้ใหลองก่อแม่พพอนแสงซองฉักพอนแสง่องฉากเฮ้ยแม่เปียนซืียหนักลองเขาไว้ขัเนะเมย์บ่าแม่บ้าคว้านแสง่องสากคันเพลงสาวจันทร์กันโกนะฮะไพ่สังพอน่องแสงต้นนั้นแบร่เออาแม่จำปอดผือเอ๊ะองผิด อันเพ่งสาวจันกังโกปฏิมันเข่าชีวิตเจ้าเข่าละดันยันตังโก้พ่อวอฉันออกมันเข่ามองไดก็มีมองแม่ย่านะแม่มองเจ้ายัานะก็ว่าบอกใครลูกเต้าฟังก็สมมุดนอครับสมมุติว่าลูกแต้วลูกตายป่านี้กังโกพ่อวอพ่อวอไอพ่อวอพ่อว่าตายทิมตีแม่ขิงกูกระมักมังมา นี่เรามองแม่ยหญ่นั่นนะมองนีตีเมย์อหญ่ดังด้านกังกอบซองภาวเพาวะค่อยมาได้กรเปาแรงค่อยแล้วกระเเห็นใส่เนาะเก็บก่อยยอดใส่ไหลู่หน้าไม่ลู่ใจเนาะนะลู่หน้าไม่ลู่ใจใส่ค่ำไว้รุนอีกตัางหาเอาลาวเมย์ขันแมย์ในักใยญ่หนายหญ่ลูกใหญ่เต้าปลาปล่อยถิ่ แต่ว่าใจเจ้าอยากให้ลูกให้เต้าไปอยู่หมืนบ่เมย์อยากให้ไปอยู่ยูเอ้ยเออเจ้าก็อยากให้ลูกให้เต้าไปอยู่แต่ว่าแม่เห็นจังไหนล่ะแม่ลูกเต้าจังคอยสิไปย่างบ่คิดบ่หัเอาอจังสิก็ไปลูกเออเว้ามาสันตัวเมยเพื่ออนาคตของลูกแม่ก็บ่เห็นแกโตประนังออกครับครับให้เจ้าสองคนพีเรียนนองมาตุกลงคขมันสัญญาการกับแม่เบิ้งมาสิบบ่ถิมบ่ตาแม่เมื่อไปอยู่มีสุข สิบปา้าให้แม่นอนทนทุกข์ดูผูวยาวายเหง่งให้เต่าสองคนรับรองห้องนางแม่ ให้ค้ามันสัญญากระแมงว่าสิบว่าฉิบว่าป่าแมงว่าฉิบข้ามาย่มหยาอมท้ำข้าวแมงแฉม่าดด้วยสาบทสาบานกับแม่แม่จังสีหายไปเสว่าใดบ่แม่ขอจำเนิอโล่โอ้อันนี้เจ้าขอลูกขอเต้าให้ค้ามันสัญญาอ่ากับข้าสาบบดสาบานตอนหน้าเจ้าเจ้าจังคอยสิย่อมให้ลูกให้เต้าไปวัดติแม่เออใชใช่เอ้าขันแมว่าจังสั่นลูกสิแตดงตามใจได้แม่ได้แม่นันว่าจังไดนลูกกระว่า สันบกินข้แม่พ่อเืออดอกแม่เออ่ามาเบิงเอากัรจะร้องหองนางแม่เรียงแม่ตดยก็เขาเน่ากับขาใหญ่บ่ภแม่ฟังดัชนีแม่โซลตะสิเบ้าให้เจ้าฟังเอาข้าบทสาบานมาพ่อเบิงเลมบัดเดนนำ สุรตาวสัมมาวะเปิดสิปังสำนวอนกลอนล่ะเอาโยมโยกเอาค่าคู่โซนล่ะตอนมันนเ่งเปิดในเลียงเปียงขาวทานนุ ยังยากออกสิลมนาฮักบ่จมดอกต้นนาล่ะเพื่อนเลี้ยงหนาวด้วยความรักคอยถนอมดอกตอมตัมละยามหนาวโค้มเอฟอาเพื่อนได้น้เอาให้หอมละยามหัวลุ ตอนหนาสะบันแม่สันสหลังสวเี่ยแม่บอให้เลียงจนใยมีสวงลังล้สุขบนด้วความตัวกอแม่เหามาพอแล้วนะลบักมีเด้อ ลาบ้าที่เจ้าไก่บานไปตรากพนกองเมียก่อนโลกพบไปสิบพให้เดือดร้อนการถึงเต่าแม่เจ้าของละละแตงผู้เมียเจ้าบอสต้องเดือดร้อนพาป้อนดอกกองกินเลยแม่ยเลย ลลาเสียงดได้สมาตอบสนองปรกฏแก้วนะลาแนวได้ีโอเสียลาลา โลกันดเสสูงก็พอม่เอา้อโอ้ยยยยยยลยนยยยยยันเยยยยยยยยยยยย เมียเจ้าของจนเบิดเยี่ยงละละเลื่องเป็นเลื่องบอนเสียวคือเปียกไรโภการนะลักวันมงมาลูกสามันะละละโยนใส่หัวฟองลูกไว้ให้ต้นเจ้านั่นเสือก Is <tries> me. ลูกบอกยำเอาน้ำน้ำมามีลองล่งที่เดินตบางตัอเม็ดยาดอกทาเงินนะลตายยันดินกันถมน้ำน้าลูกเพียรสรางยันแมยังดอกลางแก้มนะตาเพีกรมเมีย อย่าจะเลิกกันก็เาคำวาลอีต่อไปนั้นล่ะเดือนละม่ ญาลูกบอกยำเบานำนำบ่มีลงสีเดินตูงบ่งอกกดทอเม็ดง่าขาหินสาตัวเด้อตายย่ำไม่ดินตอมนาถ้าลูกผิดสัญญาให้หมาแห่งลาเกลได้แม่เด้อถ้าลูกผิดข้ามแม่ยาจะเลื่อนหุ่นเก่าคือข้าเบาอีกต่อไปได้แม่เด้อสา สาธุเออสาธุอารมดีแล้วสาธุเออดีแล้วสาธุอะโโมถ้ามีเอากีซีมาสาุาเมันอยหูอกันมากกว่ค่อยๆเรียนเน่เป็นอย่านี้จักควิตื่นต้องวิดีโอตังเยหนาข่อยเธอเลย ไปเรืองความเงยกินตับกินปอดวายคนเนี่ยอยู่ขีนกินตับกินปอดกระตายทัเลี้ยงตีนางตีเนาะแม้ตงกอกตกใจก็แหงไปโหลกกับพ่ออยู่ตีแม่ โอ้ยเป็นโรคกระเพาะฟันตกอกตกใจก็พว่าเป็นโรคหัวใจสิแม่ใจเพาะไะเออโรคหัวใจโรคกระเพาะยุหรี่มีโงะกินได้รักษาได้ขึ้นกันอือกินซาเอาละสำหรับเต่าเบาแม่แม่ตะเกียบเชืยระเบาจนเง่แตกแง่แตนเจีบเสียวนะก็สร้างบรรยากาเป็นจังไงลูกเอ้ยเชียร์ให้ขมันสัญญาคำสะบัสบายก็แม่ได้ขึ้นไอหมอเอาละแม่นั่งเลย คำสัญญาที่ให้สนันละว่ามาแล้วส่วนสาหรับมลิกานกให้คำสัญญาไดคือกันละแม่เอาขันจังก็ให้ขมันฉันยากกับแม่มากเวิงเอบเป็นอย่างดอกแม่ฟังเดี๋แม่มลิกาสิบอกให้ฟังเดีอแม่นี่มลิกา้ย นำเออกันเปิดโปงมาจะเลืยเผยตามเกลียงออกมา เผืความเก่งเผือตั้งในกาจังเก่าวไอ้เงี้ยงอันนาโอ้ยน้หมีแปลงหนตั้งบางกาตัวไก่ประตูเปิดหน้าต่างว้าวตามความน้ตามวางอย่างตามทั้งที่ถูกต้องอนนาเออย่างตามตั้งที่ถูกต้องไอ้คนย่องจังไคว่ดีรอกเมีเอออันนา เออคำโบรันเปิ่นเก่าเจดีกับตัวมาดำเนินงานเออจังกันโน้กาม่วยดอกสวยกันตักน้ำน้น่าเลาจังว่าสามโน่กับตัวยกันผลกันมันบ่เบื่อนาน เสื้อกรมวนนนุางจัดความยังเป็นกัวดอกกัวเชียงนะเออลูกตอนเบิงกว่าเมียเรียงตั้งแต่กวนเย้าปะท้วมนะแล้วเคยกินนมดอกความสู้ดอกคำเกิ้ยังหัวกันนะโอ้โนเมียเมืองสะรั์อยู่ตึ้งฝาอันพระภูมอยู่เกลียงมอหนัก นั้นคือตองกันเม่พอนะเทเป็นพออรมนวลเทฝ้าจุนเอาได้กันใหญ่มาน้ำเออคนเราใต้กันลุ่มฟ้าจะต้อนพึ่งดอกปิ้งพังน้นเปรี้ยงเอาดือดความรักบอ่อยป่าให้ตุกตอเอน้น แล้วก็ไอ้เด็กดูไปตั้งแต่วนน้ส่วนเอาเอ็งเออให้ชอทำนั่นเออคำสั่งสอนที่แม่บอกส่วนเขานั้นนี่เจ้าัวนั้เบียร์นั้นเอ็ง เอ้สวนว่ามันเลี้ยงกาฬนาเออญิงตัวปลาลูกลายเอยมนาเออนาประญานอตั้งเต้มีนาที่ออกจากบ้านรอนาเออวินาที่ออกจากบ้านเสียเที่ยวเยี่ยมอยู่บ้านซ้ำนา ไปน้ำควาแต่เพียงลางสวนจิใจอยู่กับเมียนาถึงที่เตานอสีแกมนามองไงเมีนุอมเดียดร้อนดอกขังตอนดอกขังกีงแรมนาสาธุนิม สาธุเดิมกับน้งใต้ท้าเทียนปวนแต่ปากบ่ทำตามนะเอองอันความงามบ่ไหลปากเสียนั้นย่าใจนัวเอ็นะ เออคอยฟังไปเตียนพ่อชเจ้านักว่ารวดพอยใหญ่าน่เธอทำตัวกะลุมไปน่ยามีสูกเลื้มมีเจ้าผู้ใหญ่เธอแนพอนางกอยน้อยแ่เมีนาง โอ้ยโอยโอ้ยนนนอนนนอนนนานนนนนนนนนนนนนนสนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนมนกนนนนนนนนนนนนนนนนนนนีนนน่นีนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนันนนนนนนนนนนนนนนนนนนลนนนนนนนนนนนนนน ถ้าล่องดูขั้นฉันเป็นในพาลุ่งเลือ่อยาให้เป็นหมาหากินขี้ตายเป็นปีอย่ามีซุ้มให้กาดลุงแลปป่าสาวบัญญับเถืองสาธุสาธุาอะโนโมทามีม บ, บัคขี่ทีา่าขู่คือไอโสดอกแมงไอโซถ้าเมิดแล้วออบอกงั้นถ้าเมดแล้วแม่เป็นจังไหนแม่เสื้อมัลีกัพราะค่ะแม่ เอาล่ะลูกเอ้ยเต่าสองคนกรลับลองห้องนางแม่ให้ค้ามันชัญยากับแม่มาดีแม่กระสิกันพวกเต่าไว้คือกันเด้อแม่คือกันพวกเต่าเด้อกันว่าจะไหนแม่กันลูกเต่าลืมค้ามันชันยาคข้ามสะบดสบานกับแม่นีลาโอเอาบาบเอามาบแม่เปิ้ลแม่ซาสุเด้อขันบักโซยตา กอดมันเลยตามันนั่นเบาบอแน่คือขังจ้าที่มันกาวจาตุเด้อขะมันสองคนนั่นเบาบอแน่ให้ปากมันนุ่มทอปองเข็มเด้อซเ้อทุ่อทอโอ้้าพนพวนานุมีท่ามออนท่ามีอม่มีเนี่ยท่าคูกอีละคูก็ได้ แม่อันเป็นอย่างเชื่อมาให้ลูกให้เต้าปล้องหน่อยแต่ไปจีนเข่าจีนหนาบหนักแต่แม่เอาไปนั่นอย่ามันจังสิดยานตัวโอ้เป็นนั่นดิแม่ กัดคิดยากยังเลยลูกกับคิดยากเกลนำมันหัวน้อยน้ำหัน้อยลืมข้ามมันสัญญาคำาสาบทสาบานกระแม่มันกระบ้อหนุ่มดอกโอ้อันเบ้ายัวนี่ขั้นลูกเต่าทั้งสองคนลืมข้ามมันสัญญาข้าสาบทสาบานปากมันจังกะสิยุ่มตีแม่ ดิโอ้ยขัดสันสันข่อยส่วงเหรอเพราะว่าข่อยบอลืมเอาบ้านี้ลูกเอ้ยว่าจัีไหนเมย์ไขพวกเจ้าตังเว้นเคลื่มือกันเบิงเสีไปจังไดมาจังไดไปเสียมาหย่อมยามตามข้าวแมยก่อนกันคเสียมาปีจตกเกีอกหายตกลงกันเอาโดยลูกเดินได้ความจังใดแล้วจังมาเว่าสู่แม่ฟังครับตอนนี้แม่จะว่าเป็นจังไดดอกลูกสีนี้จะห่วยมาเป็นไรต่ังใจแม่บลปกติลูกโอ้ โอ้ยนเป็นตะเล็กนแต่ที่เนียเป็นจังไหบเป็นจังไหรด้วนี่แม่เป็นเงึ๊กงักเงักจังไหร่เอเป็นต่างที่นี่มตางแม่แม่มเป็นสองรองเซ็งแรงแม่โอ้ยมาสงวาแต่แม่ไม่ด้กินจุลินีโคเข้าไปเลย ว่าแมนยาอะไรเจ้าสติที่นี่แม่หญ่กูกเสบ่อได้ันเอามันไหลในร่างกายว่าแมนว่าไหลเจ้าเดี๋ยวนี้เป็นโตเป็นต้นไหลเลีนไหลเจ้าเด้๋ยวนี้แม่แม่มันเป็นกสอบักขงไปโงบาลกูสนาไร่จะข้าววอไปใส่จะขึเสิบาเชาดอกหวยมาสร้างวาทที่นี่เจ้ามีบองไดน่ถือโลกเจ้าสนามเฮ็ดจังไหนสนามีเฮ็ดจังไหนกันแม่ ถ้าก่อนจาอาการแบบนี้จังสี่ต้องไปใส่จังสี่มันต้องแถมจังสี่มันต้องแถมเอาไม่ไงแถมแล้วมันจังสีสัวโอ้ยอโลกี้อยางกิจเจ้าดอกอยางมาต่างบ้านต่างเมืองไปเทเม่ไปได้ยินแต่เป้งขาวปาบกบอยฝ่ายมันร้องนะจังสี่มันต้องถอน อันนี้อันเวงนี้อย่างเจ้านี่มีถอนกับต้องพอหายไม่ไงเพื่อผากระถอนเสด็จตนอที่ห้ากรบต้องแถมจสดตัวนอเบากรถาพอดเออมาแถมแบบไม่จังสิว่วงมาแถมเสนาเบาสถาพอดอันแรกเสด็เข้าไปสร้างใจนห้องผ่าก็เข้าก้อนลูกครับตอนนี้ทาใจลำบาก้าวป้ปันไปหลุดซิบซีแต่นอมึงน้าหมากหน่อยย่ำยางอยู่กับว่ามึงจักของ อาวาจังไหรอีหลากมัลิกาดอกของพี่ว่าจังไหไอโซได้ยินยิเม่เล่าเบาบ่บางหนึ่งหันได้เงี้เราบ่ไก่เห้าสองคนนันตังเว้นเกีนยมือการศิไปเยี่ยมไปยามมาเยี่ยมมายามเล่านันสิเหตจังไหร่บัดนี้เจ้านันมีความคิดวาจังไหหรือวาใสเแล้วแต่อ้ายไหนตีเอาละไอโซเอ้ยอันนี้มัลิกากับว่าดอก Oh, แ, er birth birth birth birth birth oh, แล้วใต้โสสิวาจังได้มัลิกาเกษีน้ำสนอกพีโอ้แล้วแตมันเอาละยิหงละเฮ้ยขั้นว่าแล้วแตอ้ายเอาความคิดของอ้ายเป็นไง่ิจอาอ้ายสิวาจังสีนั่นละเลยว่าจังได้ว่ามากใช่ศิวาการมาเยี่ยมมาย่าแม่นขั้นว่าเป็นปีนั่นอ้ายว่ามั่นโดนโพธ อ่าพอจะนั้นเท่าเนี่สิแม่เยี่ยมมายามแม่นั่นเป็นเดือนเดือนนึงนั่นสิแบ้งออกเป็นสามเบ้นเด้อล่ะให้จำดีๆเด้อเออบอเพียงหยังดอกพียอ่กันว่าเว่นที่หนึ่งนั่นคือช่วงระว่างต้นเดือนนี่ไอสิเป็นผู้ม่าเองเออบัดดี้เบ้นที่สองคือช่วงระว่างกลางเดือนล่ะเลยให้เป็นนาตีของอีหล่าเด้อแม่เยี่ยมแม่ยามเล่าในกลางเดือนเด้อเออบอเป็นงหยังดอกใหญ่สวยมัลลิกาสิถ้ำตามเออแล้วบัดดี้ อาเว้นสุดท้ายขึ้นปลายเดือนว่าจงไดอเพื่อการไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันทั้งพี่ทั้งน้องมาณพบกันยุนบ้านของผู้เป็นม่นดาม่านน้ำกันทั้งสองคนเดล่าเออจำได้กอจําได้เรียบร้อยลอยเสยวานเพลยังดอกขั้นวบานจาได้แล้วเจ้าก็ไปเก็บสิ่งเก็บของอเตรียมโต ออกเดินทางไปเป็นไพเป็นเคยของเศรษฐีเดล่าเด้อไปเก็บสิ่งเก็บของเด้อเอาผ่ส่วนอีแมลนั่นเดี๋ยวไอ้สิไปเว้าสู้เล่าฟั่งไปบอกเล่าเออไปบอกคําที่เห่าแบ่งพักเว้นเว่นกันนั่นแหละเอาเพราะจะนั้นไปเก็บสิ่งเก็บของเดล่าเด้อเออมาเป็นอย่างดอกใบสวยกันยังนั่นมันอีกาจะไปเก็บของท่าไอ้สนั่นไปล่าเมียเเด้อส่วนเด้อมาเป็นอย่างดอกล่าเอ้ย ถ้ำใจใดไปเนาะไม่ไงจันทร์เนาะดูสินิดจาเออม่นไปอักทำใจหรือเป็นท้ำใจหรือไปอักเขี่ยวมากไม่ไงพวกเจ้าวานข่อยวามันทังที่สวางผิได้ไปเขี่ยวตั้มมากหยัดเขาวสันผู้หยัเาหยัดเอาอีเมียข่อยสมน์ธาญาซาเออไม่ไงจันทร์ข้าหมากไงแม่แม่คน แม่์ไปจังไดไปทัาใจไดแต่ไปได้ดิเมยออกม่าปีสีบ่าวให้ฟังเลเออโบแขนน้ำมากอลาไปจังไดลูกตลงกันไปจังไดได้ไปซิไปจังไดไปซิมาหยำหยำทำข้าแม่ก่อนกันซิมาปีจะเคลือลูกครับปลุเต่าตกลงกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วล่ะเมย์ ว่าจังูเออคือว่าจังสีด้เม้แต่ละเดือนนั่นลูกเต่าสีแบงออกเป็นสามเม้นอับขั้นว่าเว้นที่หนึ่งั่นก็คือต้นเดือนนั่นอ่าโผลัตต์นี่สิเป็นภูม่าเองเด้อเมยอ่ะบัดนี้ส่วนกลางเดือน ไอเป็นนาตีของมั่นลิกาผู้เป็นลูกสาวหลาเจ้าเป็นผู้ไม่เยี่ยมไม่หยามเจ้าอบันิเวนสุดท้ายนาลูกไสเจ้ากสิเห็นนาลูกสาวเจ้าสกสิเห็นมาพร้อมดอกพัมกันขึ้นป่ายเดือนเด้เมออมบนเวียนกันสลับกันไปทุกเดือนทุกเดือนเป็นจังไดร่ขึสิพอใจเจ้ายืดดอกเมยสิบกว่ามือก็เห็นนาลูกเธอนึงสิบกว่ามือก็เห็นหนาลูกเธอหนึ่งขึ้นสิพ่ออ้พ้อใจเยื่อดอกน้อแม่เข้าใจขั้นลูกวานจังสันเอาลูกเอ้ สิบมือสิบกว่ามือไปเห็นหนาขั้นว่าสินเด่นเดื่นไดเจ้าสีเห็นตั้งนานลูกชายลูกสาวเป็นตดีใจขึ้นอย่างหนิดตัวเมฆ้าข้นลูกทั้งสองรับรองแน่แม่ตาลุสุขใจลูกเอ้ยไปลูกไปขั้นเป็นจริงแม่ก็ะิีใจด้วยแม่คอวยพ่อนายลูกแม่ไปไม่ใช่ทั้งสองกำสองปลายด้วยลูกหลา ดีเดอร์โลแกวข้ามไปแล้วได้ลืมกับมากยามตายามไม่แม่เนี่าบสเี่ยแหละแม่ท้องค่ำแม่ก่อนทอแข้งโอ้ยสมพ่อเล่าเสียดายนก่อนไ่กระดอกกระเดกก่อนทองคํากระไรกอนทอแขงเ่ยเบต่อแม่จากออเพิร์ดัวขาวน่แม่าบสต่อแม่มันบองาม มันบดสวยยังเคยมีสองเจ้าต่อไปก็นสิเปลี่ยนเป่าอล้วงน้อูอากัโยกินใบน้ำบน้ำนแม่บ่เงเจ้ามานดาเจ้าสิโยเป็นรื้อเปล่าอาหะกัโยกินน้าบานน้าเมื่อคนเดลเมยใหญายิ่งยิ่บานบัวขาวเป็นกรสเมืองเจ้ายดับที่เมย์เป็นกับห่เลยรู้เอาสั่งบ่สั่งบานอดุกอยเฮียนเท่ามีสามคนไปสองใสเหลียนหนึ่งเก้ากระสีโยกับเจ้าของจนตัวเม ยูกับไผ่อูกับเจ้าของดูกับเจ้าของแม่เจ้าของแม่ผู้ใหญ่สูงวัเปนตาไปบ่หรอแม่งตเจ้าของกับพวกหูจักเท่ไ่ไ่อ่าแม่จันแม่ไผ่ศาสนาไปจันอืมอ้าวกรสือ่แม่แม่หรือเออก็แม่นเจ้านาฬีเจ้าของผู้ใหญ่เจ้าของกับเจ้านาฬีเจ้าของแม่แม่ อยู่กับเจ้าของแม่อยู่กับเจ้าของแม่อยู่กับเจ้าของผู้เดียวนั่นล่ะโอ้สุขกับตอบตอบพะโล่เนาะแม่หละถามเป็นงานเป็นกายมันแล้วเบาหลินเบาหัวอยู่ ขันเสว่จ้าสั่นกยุ่งกับทองมันตะเมืดเกิดผุนเพรกุศลมาถามกระเมียนเจดอกเม่ยัังกายุ่ตีลาอมอืมอ้วแม่เข้าใจอยุ่กับทกุศยุ่งมาเป็นไงดอกเมีกัยุ่อดสมอดสายู่น้ำบันน้ำเมื่องคนไปสักกรรไกร่ลูกซังเต่ามาหยามดอกเมียมาเป็นอย่างขันจังกันกับผ้ากันออกเดินทางสรุปเออต่างนาต่างตาปฏิบัติผ้าตากเป็นเด้อมาเป็นอย่างคนอยากใส่เป็นลูกเป็นเต่าตื่นดึกลูกเต่าหนึ่งเขาใส่ติ๊บ ยี้นันก็ได้เออเป็นอย่างดอกแม่อยากขวันหลงปุญาเฮาเด้อลูกเด้อดอกดอนันก็ะดอกัอกนโยบ้านทานยสนิ่งเดียวได้จงปั่นวัวปั่นควายให้ลูกเพลินเข้าใจคติทมคำเนื่ยมาลูก เ ข, าขา้าใจเยอะดอกครับแม่นอนจินลูก็เลยขยายขั <volleyball S 1> ้คแกไปสร <über> ูปจะลืมเด้อปากทองข็แม่ปากใบก็ลูกเด้อโอ้ยเจ้ากะยิมทรงทั้งห้ตุกมไข่แม่เป็นอยังแม่แต่สมบีกระดักกระดอแต่ลูกเต้าเตใจบดีไม่ด้ละแม่เวลาเนี่ยกิมกับเบกับพ่อพ่ไก่ พุดเถ่าย่มใจดีสาบักิฝ่ายใจหายสมบัติตูมนอนัเอาหละดูแลรักษาเนื้อรักษาโตให้ดีได้แม่คอยอยู่คอยกินน้าบ้านน้าเมืองพอไ่ไปไงเพิ่งกะสีเมืองสิแร่เอาหลาแมลลูกเต่าออกเดินทางก็เด้แม่โซระตะไปกนด้แม่บายบาย้านเลยกาไปก็เด้แม่บายบายเออเจ้าโยบานโยซองเจ้าจะดื่มจะมึนได้แม่ดื่อแม่บปดืบ โอ๊ลูกฮะมึงก็ทำไมมาบอกกู้ะจะตั่เป็นน้องสาวตัวสายนอจะดื้อจะมึนดื้อแม่พานางลูกคอยแม่ยันคอยดื้อ่อยมึนอืมแต่จะไมจำาว่าค่อยบอกคอยสอนจะดื้อจะมึนด้วยล่ะแต่จมาว่าก็เอาเราเล่งว่ากูบาไปเห็นถนนลาดยางจะเล้วกันละ เมือ่อผู้เป็นมารดาได้สั่งและวฝากฟังด ว, ดวงจิตดวงวิญญาณกับลูกทั้งสองของนางแลว้วนางก็ได้จะนัง่งนับวันนับคืนว่าลูกทั้งสองของนางจะกลับมาเยี่ยมเยียนตามสัญญาจทจะลูกทั้งสองให้ไว้ด้วยความกวลกวายใจก็มีน ก, การักทั้งนั้นแล่ย่อมผู้ฟังรอ ด, ดูเรื่องอัตามาทั้งสามได้นำเรื่องในท่านกัน ยาเลียงไก่บอมิตโตขันตอนดิจันเข้ามอจับเรืองเข้าให้เจอะไก่เห็นหมองไก่บอกขันละนอจากเมื่อนันจนมหฮอดมือนีสองน่องผีเคลไปมาทรงอาหารปูป่าเปลี่ยนกันคือเบาชีวิตของเมธจันทิมาวาวาสนาของเล่าสิดียูไดในตอนถ่ายปัดเราแม่งคุณโยมเ้ยหลายเดือปีที่เป่าแร่งลูกบวแ่งถ้ำตามจากเดือนไก่เป็นปีลูกบอมีมเยี่ยม เนี้อเกากายป็ดอมดมมะหอมหายกินแล้วน้อในตอนนี้เมจันติม่านั้นขาดเครื่องอยู่เครื่องกินเศาหาใส่กระเป๋าแรงแห้งหน่อยโสดวลายเขตต่พีนองไอก็ะดเป่าเล่าลูกคุณโยมเว้ยลูกไผ่เป็นขึ้นลูกเหล้าอัดจอยโซ่โตลาปิดสนักําลังอาเมจันติม่ากําลังจมนอนโยมผุ่มฟังผู้นนังจอ สัตธาลนให้ซอยเล่าเลยเด้อบัดนีเด้ออ้าวนิมนต์เมจันติมากังรกบมึงกัน่ะลูกว่ามากบัดนี้อ้าวนิมนต์กันหน่อยบาดนี หลบนนับมานิกาก็คือกันโลกบหันดอกมาเยียมงัะลนื่องเดือนกายเม่คอยหลาวมน ค, ค้อยตายตักป๊เป้าอเข้าเจ็กกินจอกทอง ก็เมือเสียงดอกเตาไดงเมน่อดังคนสอนน้องชายจนการอยดอกตูปอมหลับต้องวันไดก็เลยเมื่อเก็บบงสิเพียงได้ แม่ใหญ่อจเคยใสยกับมองคุณชวนมัวเอยเจ้าสิจุอจยน่นโอยเจ้าเสียว a w a และเนื่องเดือนกายแล้วปวกเจ้าแม่นางเจ้าดอกปอยงามเจ้าแม่ทูลปุกได้นางคองทักทงสองสามเดือนกะเลยคำนานางตายเป็นเพีย Oh, melody, w h a it e e n l e h i s empty, empty, empty, บ่นบอตุ้งเลงอ่างลาบแมงสีก้อยกะค่อยหางปายลูกส่างเลเนี้ยมด้ยไกจากโุ้มแมงส้มายก็ไร โอ้ยนวลตาวินงลกหน่อยปุ๊เป็นน้องกะดังดียุ้ขียวอเอ้ยน้องเจ้าขียวใบ้เมแต์ตํามีตั้มบาน อันใดแท้เบบอเต่าเทโลตัวรักตายเจ่าสังบอเอามันมีขาลูกสาวเจ้าเลิศแมีเต่าแล้วบ่ แม่เจ้าแล้วบอกบางู้คงรักเจ้ามาโอ้ยเดี๋ยวนี้แม่ลำบาใจเียงกินไหลลง ใจบวดสงปาวงาสตซ้ำลูกหมูวมันแบ่แบ่แบ่แบ่แบ่แบ่แบ่แบแบ่แบ่แบ่แบ่แบ่แแบบ่แบ่แบ่แบ่แบ่แบ่แบ่แบ่แบ่แ โอ้ยดินตามฟังปัดพังลงตันปากต่างนามบ่บุญโผดบุญน้อยได้สาวล้มแม่โยมเบยเอ้าไปใสข้าบ่หมุนต้มความเก่าเอาความเดิมเพิ่มด้วยความทวีตรุ่นโลดบ่มีทางเกล เหนืลายเด่นเหนืปานก่อนเขตพลายห้องปานเขีวเสียโคตรเด่นม โอ้ยแนวคอยกินน้ำลูกค่อนแต่ละข้าวแต่ละเบอรอดีกว่าเป็นผลเพื่อนแม่มยมเบอยเดียวนี้กับมือตึกซ้ำตึกซุมมันงุมห้วนละควรแนวได้กัดสุดมือขั้นเครื่องกินกัดสุด แม่ยายเอ้ยอาใจกินน้ำเมืออไงโคตรที่เพิ่นเห็นายขันบางมือเพิ่นได้โอ้ โอ้ยสร้างเสื้อผาปนเงินก็มีเป็นกัางง่ายอดได้คิดประทงังแม่ยมบ่คิดเดีวบอ่อาจอยงน้องนางบ่มีใยละใจคิดิตตามายเบึงลูกลุนตั้งทองลอย แม่ใหญ่เอ้ยไปติดตามคอยเดินทางไปหาลูกเมี่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋นอ๋ออ๋ออ๋ออออออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อ เหตุยงหซอยควมขีดควมอ่านคอยเนีเป็นอย่างย่ายสิไงคอยนั่งลอกควมตายอยู่หืนนี้หรือสินําไปหาลูกดีแม่าจังใหญ่ย่ายสิถ่อยู่หื่นนี่สินําไปหาลูกถ่าอยู่บ้านวัน แม่ใหญ่เอ้ยขั้นบ่ไปพวกมูเจ้ากับบอ่อพ่อขั้นสนเงือนติดสันนนาไปบ่โดนกักกลับมาขั้นพูบขั้นอีกเดิอนละและลงมจากเฮือนเตรียมของจงนา น่าตาคนเลอ้ยงโอ้ยคิดอาทอทางทางยังกลเด็ดยังหล วันจวนักคอยดึงทาเจน กล่าวเสร็จแลว้วก็เตรียมเก็บเอาข่าวของเท่าที่มีอยู่ในบ้านของตนลงจากบ้านไปหวังไปพึ่งพาอาศัยลูกชายและลูกสาวที่ออกจากบ้านไปปินสะพายและลูกเคยของสศทธฐีก็มีนักการละครนั้นแลโอ้อนาตวัสนาของเมญจันทิมาคุณโยมข้องทากกินข้าวกินน้มน้ำลูกน้าเต้า แรกๆนั่นลูกเต่าก็ะหิตตามคำบัญสัญญาขึ้นทรงเข่าทรงน้ำเม็ดถูกเดือนบได้คาแต่ว่าผลสุนท่ายบาดในดิบได้ดีแล้วเปบรรลือเมเปยุบานคล้องฐานลูกเต่ายามคุณโยมบัดหนี้อาเป็นจังใดเมจันที่มาถูกบวมีเสือผ่าฝาเฮืรนดีพอลีอยู่ถูกบวมีเข่าอยู่ทองสิน้อนลีอยู่จังใดอัลเลวก็เลยตัดสินใจพระหยัดมโยม ตัดสินใจเก็บเอาสิ่งเอาของเท่าที่จาเป็นอยู่ในบันในเฮือนออกติดตามหาลูกไส้กับลูกสาวอาบันิหเล่าสีเห็นหนาลูกไส้กับลูกสาวบอนันโยติกาไว้บองหันบันแมจันที่มานน้หาลูกสากก่อนจังว่าตอนหน้าปนจังมาเว้าอีกเถื่อหลังคุณโยมบันนิหันมากก่าวถึงชีวิตโสระตะกมริกาเป็นจังใดหลังจากมานเป็นไพ่เป็นเขยของเศรษฐี ด้วยกิตติสามแห่งคุณง่ามความดีกระตือเสตีนันตามจิตตามใจด้วยที่ว่าเห็นเป็นคนดีอรูนาทีเพราะฉะนั้นเลยความตื่ตามจิตตามใจนี่แหละก็เลยกคับกลายเป็นคนลืมตัวว่อลืมตีนลืมแม่ยูปุยบานของถาดลูกเตาหยาในเมื่อหนึ่งนั่นมาลลิกาได้เดินทางมาหาผู้เป็นพีไส่มาหาผู้เป็นพีไส้ถามข่าวถามข้าวผู้เป็นมั่นดา อ่าน้ำพุเป็นพีไส้พีไส้ก็เพสามารถที่จะตอบได้เพราะว่าบุคคลทั้งสองนั้นบุคคลทั้งสองนั้นเพได้เพราะได้ไปเยี่ยมไปยามเมเป็นเวลาแล่นปีแล่ะพญายมยงเมื่อน้องสาวได้ยินพีไส้เบาดังนั้นว่าเพได้ไปเยี่ยมไปยามผลสุดท้ายก็เกิดต่อล่อต่อเถียงกันอาปีกับน้องก็เลื่ยเถียงกันยืนยกบ้านของโสระตะพญายมยงต่างคนก็เกียงกัน ต่างคนกษัตริ์น้ำใสกันวาผู้นั้นบ่ดีน่องก็ว่าพี่บ่ดีพี่ก็ว่าน่องบ่ดีหากทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเป็นจังใดพรสตายแลนั่นก็เลยตัดญาติขาดมิดจากกันตัดจากกว่าเป็นพี่เป็นน่องกันนับตั้งแต่เมื่อนั้นเป็นตนมามันดีกานั้นก็เลยหันหลังกลับบานโดยอารมณ์บ่ดีศูนย์เขียดเหพี่ดปีไส้บักยางแห้งพญาดไม่โยมด้วยที่ว่า ทั้งสองคนละนิงกูหนิงมึ่งนองกันิ่งเสพีพีกันิ่งเส่นองผู้หับกลับนั่นเป็นไผ่ผู้หับกลับนั่นคือเมจันท์ที่มาพยุบานข้องถาลูกเต่าหยามลูกเต่าไมอยู่เป็นไผ่เป็นเกยกองเศรษฐีบ่ไปเยี่มไปยามาหากันถามข้าวทำข้าวกระพิดกันเถียงกันถึงขันที่ตัดพีตัดนองจากกัน นี่หลักคือกว่าเป็นไปเป็นมาระว่างพี่ละวางน้องทั้งสองคนอคือโสราตะกับมัลลิกาพญาติมิโยมเอาบริหันมาจ่าท่างพี่ท่านเมจันติมาอีกเถือพญาตมิโยเมยเป็นจังไดน้อเมจันติมาเอ้ยน้าหาลูกคาเต้าเนเถือนีซี่ได้กินเข้าเนมบอนนิมตนเมจันติมาต่อหนีท่านข้าน้อยคามาตาปณะ บัดนี้จะได้ย้อนกล่าวถึงแม่จันที่มาหลังจากออกจากบ้านของตนมาเปิดติดตามมาลูกทั้งสองของนางที่ออกจากบ้านไปเป็นสะพายและลูกเขยของสิทฐีสองตระกูล น, นางก็หวังพึง่งพาอาศัยในเวลาลำบากและทุกข์ยากนางอดส า, ลา์พยายามเลาลาดินทางมาเป็นเวลาหลายวัน จนมาถึงบ้านของลูกชายที่ใกรใครกล่าวขานว่าเป็นบ้านของเศรษฐีโสรั ต, ตะนางแสนจะดีใจจึงรีบายหน้าเข้าไปหาพรามก็เอ่ยวาจาเพียงลำพังคนเดียวออกไปว่าโอ้ยแม่ใหญ่เอ้ยเดินทางมากไกลายมือหลายวันมากมมาก็ลาอ่อนแล้วแนวลูกชายบัดส่งเข้ามานดาเจ้าทั้งดวนตาม เมื่อยกับเมื่อยหิวกับหิวข้าวเจ้ากับบะชั้นตกทองจักษ์ข้ามมาเลยาไชิมกินน้ำลูกชายเลยอุตสาห์ดันด้วนมากเมีใหญ่เอ้ยใกล้โย้ความดันเบาหวานไข่บอขึ้นเครงทางนอนคอยมียาทุลิมิโกพัดคนนี้ยหิตกระตั้มากมาน้ำ พ่อจะคำสู้คำจุนกันมานหงอดบานดูใจนี่ล่ะที่กินหลายกมันไาเลยไม่ได้ก็ทิ่กินอีกดอกถามคนมากก็ว่าบายหลังนี้นะแม่ใหญ่เอ้ยว่าฉันบ่านเสร็จทีโซนตาเพิ่ร่วยตัวครับนกนอนนอนหลูกเ้ยฉันไม่ยู่บานหลังใหญ่หลังสูง จะลืมแม่ปู่ยูบานค่อยชาลูกจงกินข้าอยากเท่าไรจังปอบไปเบิ้งแม่ในน้องอาชิยู่บานดูที่แม่ใหญ่ประตูบานเขาบับปิดไว้อาจจะล่องเอินเบิ้งกันหน้าเว้ยเสร็สรัดตา ดู่บบามบรู้แม่มาามบาักลาสูงหัาอะไรมัมีจากนั่งใหเพราเขาไปใส่ายเพมันนอนหลับเพ้ามานันวายใหญ่นี่เพรมันบาอยู่ คำว่ า, าบริวูปัดตู้บานก็คือพ่อปิดใบนอเอ้ค้ำแพงบานเข้าก็สูงเนาะหาเสียงข่อยมันบอเข่าไปนี่บานข่อยสึกเ ข, ข่าไปเอื่นนนี่บา น, นดอกดอกเมยไงอาสัไปบย่านอย่างไรเนาะเป็นแมยมันตัวเนา ะ, ะข่อยก็ลืมไปอืมเป็นหอดดองสีถี่เนาะเมย์ไงเอเอลืมท้าณะตะของข่อยกข่อย เขาป้องใหญ่ันมาไม่สองปองปองนีอยๆอันใหญ่สองประตูอันใหญ่ใคือสี่ใหไรถไลานเที่ยวเนาะเขาป้องหน่อยอย่าแม่ใหญ่ล้มยู่ประตูคนเ่าละพายองเอ้ยพายเฉดโซอ้ ตายกูตายอีโน่ตกสางอีนงังต ก, กีเอ้ยแนีไม่ใ่เลี้ยงหอดหมาแบบเผาใหญ่นีโอ้พยาามโ ส, สัมรในอกู้นนยังบถึถ า, าันก็หม า, ายอยู่มันโจใหญ่เนนอ้มันเดี๋ยเบิงคอยดยสายตาเ่าป็นมิหมาไม่ใช่แม่เจ้บ้าอยเป็นกร บ, บงให้ห่อ้ย ข้างใจคออย่าแมงยัยไอ้แบนี้อย่าเอาแม่เด้อไอ้มากระไอ้แม่ใบใหญป็้ผู้ไรไอ้ขโมยดอกอ้แม่ไม่หยามลูกดอกอย่าเอาแม่เด้อลูกมาเอ้ยน้องโอ้ยข้างใจคอยเพแมงบนี้พันธุ์ย่งน่ะช่งมาโตใหญ่เจ๊อเราไม่ห่างเนี่ย มันเป็นรถเท อ, อนั่นจริงยังเฮ้ยหมาพะยังเหตุทงไหนถอยหลังกับบอกาเดินนากระบบเป็นไหมไงอัตชีอัตโนนาโถอะไรแบบนี้ขอสจิญส่งใส่คาถากันหมาหลวงพ่อหน่อยทักก่อนไหมไงสมัยไปจำสินเล่าบอกเล่าเลี่ยนเล่าเสียนเลาฮัดเล่าสอนให้ว่าคาถากันหมานี่ ขนบังได้มาหายมาเฮาห า, หาป๊บาวนห้าช า, า, าอันนี้คือหายไม่จัดจำเอาเด้นไม่ไงไม่หามันดี ม, มาบาจัใหญ่ถึงก้อนละย่ำขับขันจังสิต่น้ำโมโ่สามโเอออะสติสติส ต, ส ต, สติต้องประังต้องประวันไหวขันบัญญัตเฮาเห็ดบันญัาิมันได้ใ จ, จตัวหมา น้ามวุมมุอมาุุแล้ว่เป็นข่อยเป็นค่วมฮะอสุนัขัดตังละสุมังขลังสนัขัดตังละสุมังขลังเอ้าแล้วมาคือเพ่งโคราดเขาทาไม่ไงมะเมนขีอยู่ตีย่ายหมาเศ้าเฮาเศ้าข้างแม แงกหัฟั่งข่อยใส่ขวา่ขวาบนะเอาอีกจัสองข่าบนอเมญี่ที่เขาทาอยู่โซนัขาดตังละสมังขลังสุนักขดตังละสมังขลัเชเโอเท่เ่ก้อว่ากมาเฮาไหล่ะมญ่ ข้ยอหนดมามาดูจังเสียโอ้ยหมากัดคนคนซะ้สเงินเสียทตะกเาไปเิกันขักนเหียง่ว่งงัวย่ม็นพด้องมาฟาจี้วยูตใเวยอีมตนนเมีมีย้ เจ้านิลาเม่เจ้าตีโอ๊ยแม่เนี่ลบบักหลามะมนพีนั่งดอมขย่ายโยปีนั่งไ้าโสดาตาบ่ลูกโสนี่ละแม่บักโสนี่ลาโส่ได้โสเสียลูกไส้ภพเจ้านี่ยละแม่โอ้ยบักหลาลูกแม่อิสิตัวชนะลกันลูกไส้แทวดาเจ้านีลเม่ โอ้ยเทวดาของแม่เทวดาของแม่ลูกหกักลูกแพ่งลูกคำลูกคู่ว้าาลูกเทวดาของแม่โอ้ยนอยอีแม่เดกสตาของลูกโอยจะสตาร์พะงาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่่า แม่โอ๊ยนอกใคว่าเปนหมาเหาผู้ใดเงยหนังอย่ลูกบอด้ยิ้นเสียงแม่เอิญมาล่าแม่โอ้ยคอยกาลังยากเบียกยากงานอย่หลังบ้านบ่มีเวลาเวลาแม่เอ้ยคอยได้ยินแต่เสียงหมาเห่าสนดกคอยต๊กต๊กใจเพราะว่าคอยแห้งไ่ได้ลามโซไวโยนได้ไมมโอ้ย้อด้ยินเสียงเงยหนังตังบ่ฝ่าออกมาไล่แม่ให้หมาแนน้อง คือว่าจ <V ague. S 1> ังสันน <V ague. S 1> ้อบ่คือว่าลายหมาให้แม่เนี่ยคือว่านี่สมังั่วแม่กัดหมานอนี่วยเป็นตัวไหมากัดแม่กับบ่าโอ้ยบ้าอย่างกับ่ถือแม่ไงตื่นหมามาเลิกว่าน้นมากินปอบจิบกินปอกินตับจิตปอดกับัมัจนล่แม่เย เมีโอ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้ยไฟเลื่อมลามมันไฟะสดงบักรัดไว้เลยเนี่ยสองตสามตัวเปล่าหืนี่โอ้แปดสโอ้ยคือเป็นใจสีให้เอาเป็นอย่างน้อบานนี้น้อหายใจบบยิ้มลูกอามีนางจักข้าวก็นานางนางสอมีแห้งจักบาทสะกอันโอ้ย